เ8สภาพจริงของคนตกนรกเป็นเช่นนี้เช่นนี้เองดังนั้นผู้ได้ปฏิบัติจริงในกามาวจรจนสามารถดับกามตัญหาไปสิ้นในกามะพแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในรูปภพกามตัญหาก็ไม่มีในรูปภพอาการกจิตของคนผู้ไม่มีกามตัญหาแล้ว จริงในรูปปาวจรจึงต่างกันกับผู้ yang มีการตันหาอยู่ในรูปปาวจรอย่างยิ่งจริงจังเพราะเหตุนี้ในความรู้จึงต่างกันในความรู้สึกก็ต่างกันในความหลงดิ้นรนของความไม่รู้อวิชชาก็ต่างกันอื่นๆอีก เพราะผู้ดับกรารตันหาได้ในขณะมีการฝึกเรียนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกรมภพจริงก็จะไม่เหลือกรมตันหาของกรมภพจริงดังนั้นแม้จะอยู่ในภาวะรูปราวจรจึงรู้ชัดเพราะตนไม่มีกรมตันหาแล้วส่วนผู้ไม่ได้ปฏิบัติในสภาพ กามาวจรภูมิจึงหลงโตนไม่รู้ความจริงไม่รู้สภาพจริงก็จะดิ้นโนเหมือนคนเสพติดยาบ้าที่อาการหนักเมื่อมันเกิดอาการอยากแรงแรงขึ้นหรือตกอยู่ในอาการอยากแรงจัดเมื่อใดก็จะดิ้นหน้ามืดดำลิศนาไม่รู้ตัวเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรทั้งสิ้น เยี่ยงเดียวกันนี้แลนี่คือสภาพจริงของคนตกนรกจะเป็นเช่นนี้เช่ น, นนี้เอง